เป็นกันเปลี่ยนภาวะจากเจ้าชายสิทธะกลายเป็นพุทธเจ้าก็ได้ในการเปลี่ยนชีวิตใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีศาสนาไหนเป็นแบบศาสนาพุทธวันสาคัญมันก็ย่อมมีความสำคัญอย่างน้อยพูดถึงเรื่องบุญเราก็วันนี้บุญหนักการเปลี่ยนภาวะจากปุถุชนเป็นอริยชนเนี่ย เ, เรื่องยิ่งใหญ่ ได้ทำทุกท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะบางทีอาจจะปฏิบัติทำมาห้าวันเจ็ดวันอาจจะปิ้งจิตเติมโพลสู่การรู้แจ้งด้วยความสุขตัวเปลี่ยนภาวะจากปุุชนเป็นอริยชนก็ได้การบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ที่วัดไม่ใช่ที่บ้านที่ไหนก็ได้ถ้าจิตเราพร้อมแต่ถ้าตั้งใจหรือเคร่งเครียดเนี่ยจิตไม่พร้อมนะ จิตต้องผ่อนคลายสบายสบายการฟังธรรมก็ฟังแบบผ่อนคลายการยกมือเคลื่อนไหวก็ต้องผ่อน ค, คลายเคล่งคลายอย่าเคล่งแล้วก็เครียดเคล่งคลายเนี่ยคือการปฏิบัติถือว่าวันนี้เป็นวันที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งชาวพุทธคนที่จ ะ, ปะเปลี่ยนชีวิตใหม่ชีวิตเก่าเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้ว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 เป็นรรมะเล็กๆถ้าไม่มีความรู้ตัวเนี่ยธรรมะเข้าไปถึงตัวนี้ไหมถ้าดุมาบางอย่างก็รอยเท้ารอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรอยเท้าเราก็ตามเนี่ยย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ครอบคุมรอยเท้าสัตว์ทั้งหมดเลยยกเว้นไดโนเสาร์เพราะนั้น <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถนําพาธรรมะทั้งหมดเข้าสู่จิตสู่ใจแม้แต่ก่อนท่านจะปฏิญญาพานท่านบอกว่าเธอจง ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิความไม่ประมาทก็คมมือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสติท่ากับเราเอากุศลเข้าสู่จิตใจเรากุศลนั้งหลายจะเกิดขึ้นในจิตใจทันทีเพราะฉะนั้นการพลิกมือรู้สึกตัวโอ้ธรรมะเข้าแล้วยกมือรู้สึกน่าธรรมะเข้าแล้วหายใจเข้ารู้สึกน่าธรรมะเข้าสู่ใจแล้วเวลามันคิดปรุงแต่งรู้สึกอกุศลขาดไปทันทีเลย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 โอ้ท่นกําลังโกรธนี่เพิไม่รู้หรืออย่างนี้ไม่เห็นสติหรอกอันนี้มันเป็นโมหะถ้าไม่สติแล้วโกรธไม่ได้ทำสออย่างนี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเราจึงต้องมีการจลศิษย์อาศัรูปแบบอย่างเนี้ยรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนได้แนะนําเอาไว้คือการเคลือคล่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่อจิตมันตื่นอยากเคลื่อนไหวฟรีๆนะเราต้องมีความรู้สึกเต็มวนในการเคลื่อนไหวจิตจะได้ตื่น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 ที่เขาไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารกลับมาก็ต้องเศร้หมองตั้งนั้นแหละแล้วทุกไม่ได้มันต้องต้องกลับมารู้ตัวเองเนี่ยการตรัสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตมักลับมากลับมาปฏิภาวะกลับมากลับมาปฏิบัติปฏิวัติคือกลับมากลับมาทีนี้เรปล่อยจิตใจให้หลงเลินไปกับความคิดปรุงแต่งไหลไปกับอารมณ์ที่มาปรุงแต่งกับความคิดต่างๆเรามีการเคลื่อนไหว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 สิงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไปจากตัวเราทั้งนั้นแหะความสุขความทุกข์คนอื่นไม่ได้ทําให้เลยนะแต่เราต้องหากเป็นผู้ที่ทำเอาเองเห็นไหมการปฏิบัติการกลับมาย้อนกลับมาสร้างความเคยชินที่ย้อนกลับมาดูตัวเราจะได้จัดสรรตัวเราให้ถูกต้องทีนี้ก็จะไม่ไปขวางใครจะไม่ไปกระทบใครนั้นการจะสื่อแบบเคลื่อนไหวในรูปเทียนเนี่ ย, เ, เ, ย, เ, ยเป็นการให้กลับมาดูตัวเราดูกายเคลื่อนไหวเอากายเนี่ย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 แตะๆพร้อมที่จะวางได้ให้รู้ย่องห่างอย่าเข้าไปโอบไปใกล้ให้รู้เบาๆรู้เล่นๆแต่ก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะได้ไม่เข้าไปเกาะกลุมถ้าเข้าอยู่ในกายนี่อันตรายเหมือนกันนะอันตรายไหมกายมันแก่กายมันเจ็บกายมันกลายกลายเป็นเพียงแค่เครื่อง ร, รู้เครื่องอาศัยชั่วคราวการปฏิบัติเนี่ยอย่าเข้าไปเพลิ้งอย่าเข้าไปยึด ให้รู้แบบเบาๆแบบบางทางพร้อมจะปล่อยวางได้อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องความคิดอย่าไปสนใจเพราะนั้นมันทำให้เราหลงไปได้ง่ายทุกวันเนี่ยเราหลงไปกับความคิดมากมายนะนี่ไม่สนใจแต่อย่าไปห้ามความคิดห้ามก็ไม่ได้นะห้ามความคิดนี่ก็สนใจมันไหมสนใจที่จะห้ามอย่าไปห้ามความคิดแล้วก็อย่าไปตามความคิด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 ตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดเราคิดไปมากแล้วเราจะรู้แล้วก็ทิ้งแล้วเมื่อจะไปต้องใช้ความคิดอ๋อมันจะคิดแบบเป็นประเบียบเป็นประเบียบเหมือนหนังสือที่อยู่ในช่องแล้หยิบมาอา่านแล้วก็วางไว้เป็นประเบียบอย่าเพิ่งไปสนใจรู้แล้วก็ทิ้งแล้วกลับมารู้กายก่อนนะเอากายเป็นหลักให้มันชํานาญสติเมื่องด้วยกายเนี่ยมันทําให้ความคิดนี้ไม่รบกวนเอาตรงนี้ก่อนเอาฐานกายให้มันแน่น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 ถ้าเราเป็นการอาน้ำมันไปลาดกองไฟอยากให้มันหยุดเมื่อไหร่มันจะหยุดนะรแล้วก็ช่วยมันคิดใหญ่อาน้ำมันไปลาดกองไฟเพียงแต่เราไม่สนใจความคิดไม่ให้ความสำคัญมั่นหมายกับความคิดมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะอยากคิดคิดไปไปเฉลี่ยของเราไปเรื่องความคิดเรื่องจิตเรื่องเราคือมารู้สึกรู้สึกให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องมันจะมีพลัง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 รู้สึกตัวดูกายเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูแลเห็นเวลาจิตมันคิดมันแต่งดูจิตเห็นจิตมันคิดดูแลเห็นมันเป็นวิปัสนาวิปัสนาคือการดูแลเห็นเพราะเกิดเพราะว่าดูแลเห็นแล้วก็อันเนี้ยปลอดภัยล้วเห็นอะไรเห็นแสงเห็นสีเห็นนิดนิดหรืออันนั้นเห็นนอกตัวนะไม่ใช่ของจริงหรอกอาจจะเห็นจริงนะ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 ยังไม่กินต้องกับผิ่นกายที่มันเคลื่อนไหวเรารู้กายอยู่ก็ต้องเห็นกายเห็นกายอย่างเดียวมันไม่ใช่มันทีมีความคิดที่มันแวบแ ป, ป๊บกันมาเราเวลามีกายขึ้นมาว่รารู้กายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องสัมผสัสกับความคิดโอ้มันคิดเราคิดไปนี่โอ้เราปรุงแต่งเราฟุ้งซ่านมากโอ้นี่มันม UNG ่วงนั่นเราเห็นแล้วนะมันไม่ได้เห็นตายอย่างเดียวหรอกมันต้องเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งมากไปเห็นความง่วงเห็นความเบื่อ เห็นความขี้เกียจเห็นทุกเวทนามันต้องเห็นเพราะฉะอย่าคิดว่าดูแต่กายเห็นแต่กายไม่ใช่เดี๋ยวต้องมีสิ่งที่ผ่านมาเราเคยดูนาฬิกาไหมดูนาฬิกาเราดูนาฬิกาเนี่ยเราเห็นยอดนาฬิกาหรือเปล่าเราเห็นเข็มเห็นเลขเห็นยี่ห้อเห็นเวลามันเห็นหมดแหละรู้แค่หนึ่งเดียวนะรู้แค่หนึ่งเดียวเห็นหมดเลยดูกายก็เห็นจิตดูกายก็เห็นเวทนา ดูกายก็เห็นธรรมะธรรมะคือความง่วงเหงานอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะความสงสัยลังเลใจอันนี้คือธรรมะสิ่งที่ผ่านมาเรารูนะ้นั่ะคือธรรมะทั้งหมดเลยเห็นรูปเห็นนามเรื่องของการจริตเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องต้องเห็นรูปเห็นนามถ้าใครเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เท่ากับได้หลักของการจริตแล้วถ้ายังไม่เห็นรูปนามก็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 คิดว่าเราคิดคิดว่าเราคิดว่าเห็นไม่จะเห็นมันคิดไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทำต่อเรื่องเรื่องมันหนีไม่พ้นหรอกมันต้องเห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรเนี่พูดดักไว้—เผื่อจะมีใครบรรลุตอนนี้เห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งเห็นปัจจุบันเห็นมรรคผลนิพันเป็นระยะทางธรรมะเขาเรียกเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากการรู้สึกตัว ลงไปที่กายเคลื่อนไหวที่ใจคิดนึกแล้วก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นปัจจุบันเห็นสารพัดอย่างอันนี้เป็นการปฏิบัติที่จเรียกว่าตามรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนได้แนะนำให้เราทำอย่างนี้แหละนี่เวลามีเห็นถ้าเห็นความคิดเนี่ยเขาว่าเห็นต้นทางของนิพพานแล้วถ้าไม่เห็นความคิดเนี่ยนิพพานเกิดไม่ได้หรอกเพราะไปปรุงแต่งมากมายเห็นความคิดเห็นจิตมันคิด เป็นต้นทางของนิพพานล่ะนิพพานนี่ไม่ใช่นิ่งเงียบแล้วก็ถึงนิพพานเขานิพพานแบบไม่รู้ตัวไงไหมผู้นะเจ้าท่านก่อนจะนิพพานท่านยังเห็นความคิดเลยเห็นตัญหามาปรุงแต่งในชะ่ไหมมาสร้างบ้านรวย ใ, ใจท่านเพราะนั่นคือความคิดัรงนั้นนะ่ะแล้วชนะตัญหาได้ตัญหาก็เลยล้มละลายปรุงแต่งไม่ได้ล่ะจิตก็ถึงวิสังขารพ้นจากการปรุงแต่งเริ่มจะเข็นตัวตัญหาที่เป็นปรุงแต่งเป็นความคิดัเราจึงสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้ เห็นความคิดจิตมันเปลี่ยนถ้าใครจิตเปลี่ย น, ปนไปแล้วว่าเห็นกับตัวเองนะอาจจะไม่ใชดเจงก็ไม่เป็นไรหรอกทำต่อไปเรื่อยมันก็หนีไม่พ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยความหลงลืมตัวมันจะไม่เกิดขึ้นสังขารนี่มันเกิดเพราะกันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือยกับความไม่รู้ตัวมันก็จะหายไปมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยนะเป็นชีวิตใหม่นี่หน้าเดิมกายเดิมแต่ใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนภายใน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 ไปดูแบบาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทำเลยสักจิตใจมันเริ่มเปลี่ยนมั้งไหมเริ่มเปลี่ยนหรือยังงงเหมือนเดมิมถ้าจิตเปลี่ยนมันต้องเบิกบานนะยังงงเหมือนเดิมความเบิกบานที่เห็นได้นะี่มันคือความเปลี่ยนเบิกบานทางหน้านยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าไม่เครียดตอนเข้ามาวันหนึ่งหนึ่งวันทีหน่หนึ่งก็ทําท่าศรัทธานหน่อยวันที่สองนี่คิวชักปูกโบวันที่สามมันจะเครียด วันที่ห้าทีมันผ่อนคลายโอ้คิวที่ผูกโบนี่มันขยายโบออกพราะนั้นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนมาจากจิตใจก่อนนะรู้จักยอมรับโอ้ไม่ครบเจ็ดวันนี่กลับไม่ได้อยู่แล้วเรายอมรับขึ้นมาเาอยู่ไดาอยู่ได้มันเปลี่ยนได้อันนี้รับรองผมเองนี่ก่อนจะปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้หน้าตาไม่ใช่แบบนี้หรอกเริ่มแปลเริ่มพิการปีนั้นปีพศสองพัห้าร้อยยี่บสองเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตทีพิการและเป็นชีวิตที่มีความทุกข์มากแบกความทุกข์เป็นของหนักทุกเพราะกายพิการเนี่ยมันก็พอแรงอยู่แล้วมันยังมี after ทุกข์อีกทุกเพราะจิตพิการในโหเป็น after ทุกข์ที่รนแรมากแล้วมันทุกข์หนักมากและมันทุกข์ต่อเนื่องนานๆการว่าทุกข์กายไม่ถือว่าหนาแต่ทุกข์จิตเนที่มันปรุงแต่งทุกทางกายทุกทางใจแบกภาระของขันห้าไว้ อยากจะวางไม่จะวางอย่างไรทุกทั้งหมเหมือนกันนะเวลามีความทุกข์อยากจะวางความทุกข์แต่วางไม่ได้วางไม่ได้เพราะอะไรผมก็อยากจะวางแต่วางไม่ได้ศึกษาธรรมะจากการอ่าน<ม>จากการฟังมาต้องสิหปีตั้แต่ปีสมงัยี่สองถึงพศสองพห้าสาสิบแอ่านธรรมะสนใจธรรมะมันก็เข้าใจธรรมะนะ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 ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหมย่ยังไงเรารู้แค่ทฤษฎีเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอแล้วมันต้องมีการปฏิบัติอ่านไปแผนที่อยู่เนี่ยมันยังเดินทางไม่ได้อ่านเป็นที่มันถึงเชียงใหม่เลยนะแต่ผมมีนั่งอยู่ที่บ้านมันมันต้องมีการปฏิบัติมีการลงมือกระทำแล้วปฏิบัวิธีไหนมีหลายวิธีลองทํามาแล้วมันก็ไม่ถูกจริญกับคุนสภาพอย่างเงี้ยไม่ถูกจริญกับแม่หรือว่าเทียนเนี่ย หลวงมาอเทียนท้าท้าทายนนะถ้าใครทําแล้วจิตไม่เปลี่ยนทุกไม่ลดเนี่ยยินดีคืนเงินผมนก็ เ, เขียนเนี่ยเอาคอเป็นประกันโอ้โหเนี่ยเด็ดขาดตรงนั้นเลยถ้ายินดีคืนเงินนี่ก็พมรนะู้กวนเอาคอเป็นประกันเนี่ยแล้วท่านประกันมาหลายคนเลยนะโอ้ไม่อยากกะขายไปทีมนึงเลยเราก็ชอบติดชอบการท้าทายเพราะเรามีความไม่มีทุกันเดิมมันอยู่แล้วเรามีเดิมพันอยู่สองเมือง ถ้าปฏิบัติมีโอกาสพ้นทุกได้ถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเราต้องนอนเป็นทุกข์ไปจนตายจิตใจขึ้นิด้นลงเวลาอ่านสือธรรมะใจมันก็ดีคิดถึงธรรมะใจก็ดีแต่เวลามีอารมณ์มากระทบโอ้ใจมันตกอบายภูมิเลยไม่ดีเลยยังไงต้องเอาชีวิตเราเนี่ยเข้าแลกมันต้องลงทุนลงทุนปฏิบัติ ด, ดูแลปฏิบัติได้อย่างไรผมอยู่ที่บ้านคนที่มีการ เคลื่อนไหวได้เพียงแค่เนี้การเคลืมือนิดหน่อยมีอยู่สองมีนาบทนอนกับนั่งสมบัติจะนอนนั่งไม่ค่อยได้นานเราไม่มีโอากาสได้แต่งชุดขาวเท่ๆแบบเนี้ยไปวัดก็ไม่ได้ต้องมีคนคอยดูแลช่วยตัวเองได้น้อยมากจะไปเดินจงกรมก็เดินไม่ได้ยกมือสั้นยังวะก็ยกได้แก่ข้างเดียวมันคงปฏิบัติไม่ได้หรอกมันก็คิดนะ นี่เราจะทําความดีทํากุจลแล้วทําไม่ได้ที่เราคิดเลยแต่ก็โชคดีที่มีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยแล้วก็แนะนำว่าที่อยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้ทําอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ผมเขียนจดหมายติดต่อท่านนะท่านอยู่จังหวัดเชียงภูมิมดป่าสุโขทัยอำเภอแกล้งเคาะผมอยู่นครสวรรค์อ่าเขียนจดหมายเนี่ยมืออย่างเงี้ยเขียนจดหมายได้ก็ไม่ค่อยตัวหรอก แต่พออ่านกันู้เรื่องเขียไปถึงฝากตัวไปรูสิขอให้ท่านแนะนําการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เล่าถึงอาการที่เราพิการช่วยตัวเองได้ยังไงบ้างส่วนไหนที่ใช้ได้ส่วนนี้ใช้ไม่ได้หลวงพ่อคำเขียนเข้าใจโดยทั่วมีเมตตาไม่เป็นไรคุณพิการก็ปฏิบัติธรรมได้นอนทําอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปวัดผมเริ่มต้นปฏิบัติธรรมไม่ได้เริ่มที่วัดนะผมเริ่มที่บ้านนะน่าเราจะคิดว่า การระดับทุกได้นั้นต้องที่วัดที่เดียวเวลามีทุกก็วิ่งมาวัดเวลาหมดทุกก็กลับไปบ้านแล้วก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออ ก, กตลอดชีวิตอย่างนี้แหละเราฝึกที่วัดแล้วเราไปทำที่บ้านดูบ้างสิต่อไปเริ่มเอาบ้านเป็นวัดก็ได้นะพอเริ่มต้นที่บ้านนอนพลิกมือการพลิกมือเคลื่อนไหวเี้ยการเจริญสีแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ยกสิจังหวะแบบเจตีทำหรอกนอนพลิกมือสองจังหวะพลิกมืองายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึก พลิกมือหงายรู้สึกพูดมือก็มารู้สึกได้แค่สองรู้นะรู้หนังให้ก็รู้ความแต่สองรู้นี่เป็นสองรู้ที่มีคุณภาพนะไม่จะรู้แบบเลื่อนลอยนะรู้มือรู้ตัวพิกมือรู้สึกความมือรู้สึกได้สองรู้ได้สองคะแนนยี่ทํานี่สิบสี่รู้นะโอสิบสี่คะแนนสิบสี่คะแนนได้เปลียบมากเลยผมแค่สองรู้ อาศัยมีเจตเมตตามีความใส่ใจมีความเพียรเอาละสองรู้เนี่ยมันจะต้องรู้แบบคมชัดถ้าสิตีรู้แบบเลื่อนลอยเนี่ยมันสู้สองรูไม่ได้นะผมนั่งอยู่สองรู้เนี่ยรู้สึกตัววันหนึ่งเนี่ยเกือบเจ็ดชั่วโมงคนที่ร่างกายไม่ปกติมีการขึ้นไหวด้วยน้อยถ้ามาเจ็ดชั่วโมงนี่คนที่ร่างกายปกตินี่เท่าไหรยกมือเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเนี่ย อันนี้เมืไ่ไหรมาขูมาให้กำลังใจ <S <S แล้วเวลาเราท้อแทน้นี่โอ้โจัง ก, กำพลทิ้งมือแค่นั้นเองนะวันหกสิบั่โมไอเราเนี่จะมาท้อแท้ไม่ได้นะมาพูดให้ปลุกกำลังใจไม่ใช่พูดให้หน่อยท้อแท้ไม่ใช่นะมองคนที่มันแย่ยว ก, กว่ากันเนี่ยเป็นกำลังใจอย่าบองและสงสารชีวิตผมนี่ไม่ต้องสงสารไม่ต้องสงสารเนี่ยทิ้มือรู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ย ว ล, ลาหกถึเจ็ดชั่วโมงแล้วก็อาศัยเก็บเกี่ยวมันองมีการเก็บเกี่ยวนะเรียกเป็นโดนนะัทเก็บเกี่ยวกับเรือบทอื่นส่วนไหนที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องมาทำมันตรงไหนเคลื่อนไหวได้น้อยน้อยก็รู้สึกตัวได้อาศัยส่วนที่มันจะเคลื่อนไหวได้เนะนี่เป็นการเจังหวะสีแบบเคลื่อนไหวเลยนะไม่สนใจความคิดเลยเพราะมันคิดมามากแล้วคิดจนเป็นทุกข์ไม่สนใจมันอันนี้มันคบไม่ได้ไอ้ความคิดมันคบไม่ได้ มันติดคุบอยู่ในความคิดเนี่ยโอ้ไม่เอาไม่เอากลับมารทุตัวการเคลื่อนไหวนอนกับพิบตาเลื่อรู้สึกรู้สึกกับพิบตาก็รู้สึกตัวได้นะตรงที่มันเคลื่อนไหวได้ตรงนั้นแหนนละเอามาจะรู้สติได้กับพิบตารู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออรู้สึกงายการหายใจเป็นการเคลื่อนไหวไหมอันนี้ก็ดีขงหูดิ่งดิดตรงไหนที่มันทําได้ยา ก, กตรงนั้นสติมันเกิดได้ง่ายไอ้ยากยาก็ดีทั้งแหละ มันสอนทำมาได้ดีมากมันมีความเพียรมีความพยายามมันมีการท้าทายเอาชนะไม่ว่าตรงไหนเคลือ่อนไหวได้ผมจับเอามาปลุกสติหมดเลยตะแคงซ้ายรู้สึกตะแคงขวารู้สึกเวลาหน้าร้อนเนี่ยผมต้องถอดเสื้อนะบ้านผมนี่ร้อนมากเลยนคะรสวรรค์ร้อนติดอันดับร้อนมากถึงร้องถอดเสื้อเลยมีกระมังน้ําอยู่ใบหนึ่งไม่ได้เช็ดตัวนะอบน้ํารูปตัวตัวนี่แฉะเปน็นอึอ่างเลยนะ ก็แห้งไม่ได้มันร้อนมากคุณเคยไปเยี่ยมเหมือนที่มันเราตั้งกรรมฐานเมนมันร้อนมากเลยใหม่ๆที่ไม่เคยเจริญสติเนี่ยงันยึดมากเช็ดตัวทีงันยดทีหนึงเช็ดตัวทีมีนดทีนึงแต่เมื่อฝึกสติมีการเคลื่อนไหวเนี่ยอ๋ดีนะร้อนม า, มากๆก็ดีแล้วเช็ดตัวบ่อยๆจะได้มีสติ บ, บ่อยๆอ้อเอาอุปสรรคมาเป็นอุปกรณ์ของธรรมะเลยเมื่อพอใจในการเช็ดตัวพอใจในการร้อนเมื่อไหร่มันจะร้อนจะได้เช็ดตัวจะได้มีสติมันไปอย่างนั้นนะ อันนี้แหละเป็นอุปสรรที่มันมีหลายอย่างที่จะนึกได้ทุกเวทนาทางกายก็ามากมดกัดดุงกัดไม่รู้สึกปัสสาวจะจะละไม่รู้สึกอุปสารคมากเดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็หายใจลําบากเนี่ยผมจะมีการเคลื่อนไหวอยู่เลยการเคลื่อนไหวจะช่วยในการหายใจเมื่อก่อนก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆมันสบายแต่ไม่ใช่ต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยอ๋การเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยเราหายใจดีขึ้น นันเลยขยับไม่คยเลิเวลาทาอาหารนี่เวลาท้องอืดขึ้นไหวเนี่มันช่วยยาอาหารเอาเราก็ไม่ขึ้นไหวฟรีๆอารมณ์สติลงไปด้วยใช่ไหมได้ทั้งกายด้วยทั้งใจเอาอุปสรรคเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะตัวเองเลยมีหลายอย่างทำไปมันก็คิดมันคิดมากเมื่อเวลามันไม่คิดมันก็ง่วงอ๋อสองสภ า, าวะเนี่ยมันตีเยอะมากเลยเอย่าท้อแท้นะมันคิดมากดีแล้วจะได้ไม่ง่วง มันม้วนกว็ดีจะได้ไม่ต้องคิดเออมันดีทั้งนั้นแหละจะิยธรรมในเวลามันคิดมากเนี่ยทำยังไง ห, ดหุดหิดละเดี๋ยวต้องแอบไปเดินที่นูน้นแอบไปหาที่นี่ที่ชวนกันคุยกลัวความคิดมันจะหมดผมไปไหนไม่ได้มันคิดมากต้องจมดัวความคิดอย่างนั้นน่ะอาศัยความอดทนทําไม่ได้อ่มันจะได้พ้นทุกข์จริงไม่ทอแท่ไ้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนไปเพราะมันไปไม่ได้ถ้าไปได้เนี่ยผมไม่เปิดทีวีดูสนุ ก, กว่า มันไปไม่ได้จึงต้องมาอยู่กับความคิดด้วยสติอย่างนี้แหละมันขอบคุณความพิการมาตรงนี้ที่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ถ้าเรามาเจริญธรรมไงดูเลยนอนไม่หลับนะเวลาคิดมากคือนอน่ะไม่หลับแทนนี้เราจะนอนไม่หลับแล้วก็ฟุ้งซ่านจนสว่างเออเอาการนอนไม่หลับมาเป็นประโยชน์เราซะมาปฏิบัติธรรมคนที่เขาไม่ไปฏิบัติธรรมเขานอนหลับสบายเขาประมาทเรามันไม่ประมาทนะเอาการฟุ้งซ่านมาใช้สติ เตินวิกฤตให้เป็นโอกาสนะจากการใช้อยวิตเนี่ยนอนพลิกมือเวลาคิดไปรู้จิตัวได้ความรู้สุกตัวได้ประสบการณ์ความคิดจะหายหรือไม่หายไม่สำคัญหรอกสวัยที่เราได้ทำในสิ่งที่เราน่าจะทำเมื่อเวลาคิดมากปรุงแต่งจะไปไหนมันไปนะจะเงินพยังไปไม่ได้เราต้องอยู่เนี่ยได้กําลังใช่เมื่อไม่คิดมันก็ง่งวงเราเดินจุกกลมมันง่วงไหมเรายกมือมันง่วงไหม มือของบ้านม่วงเราค้างนี่ก็มีนะฮงนะพระตาสุกโตเนี่ยเวลามีเขายกมือค้างนี่เดี๋ยวฝาบาทเพล็กมาเดี่ยตกอกตกใจแล้วคุณเจ้าโยนฝาบาทใส่ตัวเราเนี่ยโอ้เสียชื่อเลยที่พระตาสุกโตนี่นักบุญบัตรกลัวมากเลยกลัวฝาบาทเวลาแค่นั่งยกมือค้างหลับพิงเสาเนี่ยเดี๋ยวฝาบาดรอยมันะตื่นเลยฝาบาทปลุกสติตื่นนั่นดีโดนจมกลมอย่างง่วงนั่งยกมือเรื่องง่วงแล้วผมนอนปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรง่วง แต่ไม่ยอมง่วงใ้ง่วงไปบางทีมันง้วงเวลาเข้าก็ทําตาโตๆทำตาโตเไว้เวลาง่วงอย่าทำตาดีๆนะอย่าไปมองหมอนอย่าไปมองที่นอนอย่าไปคิดถึงความสบายอย่าไปมองไงทำตาโตๆมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรายอมเีมันก็เสร็จบางทีผมมุ้งกับต้องอมน้ำนะอมน้ำในปากอมไม่มันตป็นปากถือติไปมันง่วงง่วงไปมันถ้ามันหลับมันจาลักน้ำมันต้องท่าไาย อู่สักเป็นสิ่งที่าทายไม่ใช่ยอมแพ้อายอมแพ้นี่มันง่ายไอ้ท้าทายเนี่ยมันทวนกระแสตัวกระแสนะทวนกระแสของความทุกข์ยากลำบากแล้วมันได้ประสบการณ์ได้ทั้งสัได้มันเล่าสู่คนฟังมีหลายอย่างที่ผมทวนกระแสใจตัวเองมันก็มีการท้อแท้นะการปริบัติมีการท้อแท้ท้อแท้ไม่คือธรรมะนะความท้อแท้สลดอดรูเศร้าหมองมันเป็นมิตรธรรมนะทีน่ามิทะอดรูท้อแท้ มันก็ย่อมมีแต่ผมทำยังไงท้อแท้แต่ไม่ท้อถอยนะไม่ท้อถอยเดินขึ้นเขาเดินขึ่นไปนะมันท้อแต่ไม่ถอยถ้าถอ ย, ถอยมันตกเขาหยุดคิดใช้คนคิดช่วยนี่ถ้าเราท้อไปจนตลอดชีวิตนี่เราต้องเป็นทุกข์แน่นอนมันต้องต่อสู้ต้องไม่ท้อแท้ทอแท้ไม่ได้ถ้าท้อเนมันดับทุกข์ไม่ได้ถ้าท้อต้องเป็นทุกข์มนเดิมมันต้องรู้สึกต้องขยัน ที่จะกินเดิมพันธ์เขามีเดิมพันธเดิมพัน์ชีวิตเดิมพันชีวิตคือความไม่มีทุกข์ไม่เท้คคอคิดถึงคําสอนคิดถึงครูบาอาจารย์โอ้คาา ร, อาารูบาอาจารย์อุตสาห์สอนทำไมกับเรานะเราจะมาท้อแท้ไม่ได้เราไม่เคารพครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงสาวกที่ท่านปฏิบัติมาท่านลําบากงั้นเลยท่านต้องขยันทางนั้นคิดถึงคนใกล้ตัวเราคุณพอ่อคุณแม่อุตสาห์ทำอาหารให้เรากินอยู่นี่ไงมันมีคนทําอาหารไหมโอ้นึกถึงแม่ครัวไหม แม่ครัวเขาจะได้บุญเพราะเราตั้งใจปฏิบัติถ้าเราอยาะเย้ยนี่ไม่ครัวไม่ได้บุญนะเราต้องขยันไม่ครัวจะได้ไดบุญนะพระกุณเจ้าจะได้มีปิติครูบาอาจารย์เนี่ยจะสดชื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าของมาถวาย น, นะเราปฏิบัติ บ, บูชาเนี่ยครูบาอาจารย์สดชื่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยญาติธรรมบางคนเนี่ยเป็นนั่ง ค, คาารูครูบ า, คาคบาอาจารย์บาคนนี้ปฏิบัติดีนั่นเป็นปิติเป็นความภูมิใจของครูบาอาจารย์เป็นรางวัลที่รู้สึกปฏิบัติดีไม่ใช่รู้สึกเอาใจ รู้เอาใจเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ก็ไม่สนใจรู้สึกปฏิบัติ ด, ดีเนี่ยครูบาอาจารย์นี่สดชื่นมากมองเห็นประโยชน์การปฏิบัติเห็นผู้ทวนกันไม่ปฏิบัติเราไม่ได้เกิดมาทําต่บุญอย่างเดียวเราทําบาปด้วยสวรรค์ก็ขึ้นนรกแล้วก็ตกนั้นถ้าก่อนจะตายเนี่ยถ้าจิตเราตกปั๊บหนึ่งมันลงอบายเลยเราต้องเก็บเกี่ยวเอาความรู้สตัวเข้าไว้เก็บเกี่ยวบุกุศลเข้าไว้มันจะได้พ้นอบายภูมินะมองเห็นประโยชน์การปฏิบัติ เห็นท่วงการไม่ปฏิบัติมันก็จะเกิดกำลังใจผมก็อาศัยแบบเนี้ยช่วยตัวเองผมไม่มีครูบาอาจารย์มากระนาบใกล้แบบนี้หรอกพ่ออยู่เชยภูมิอยู่นครสวรรค์ปฏิบัติไปมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาตัวเองมันต้องลองแก้ดูก่อนอะไรก็ใช้ครูบาอาจารย์อะไรก็ถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนบอกว่าคนที่ชอบถามคนที่สงสัยเนี่ยคือคนอยากไม่รู้คนสงสัยคือคนอยากไม่รู้มันต้องแก้ปัญหาตัวเองบ้างการปฏิบัติในอุปสรรคมากมาย แต่ลืมว่าอุปสรรคนั่นน่ยคือธรรมะทั้งนั้นเลยมันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะทั้งนั้นเลยชื่อผมเปลี่ยนมาได้ก็เพราะว่าอุสปสรรคไอ้ความไม่ไดเร่งใจความไม่ถูกใจไอ้ความที่มันขัดใจเราเนี่ยล่ ะ, ละมันทําให้เราเกิดปัญญาเห็นความไม่เพื่อนเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถมาขับปัญชัยมันได้ไอ้ความไม่ถูกใจนะะี่ยล่ะมันเป็นหินรับปัญญากับเราเนะี่ยเราเกิดปัญญาเพราะสิ่งที่มันขัดใจเรานี่หละไอ้ที่ตามใจเรานั่งมันทำให้เราหลงไปกับดีเล็ดนะ ไอ้ที่มันขัดใจเรานะละ่ะจริงจริงมันไม่ได้ขัดใจเรามันขัดดีเดทเราต้องขอบคุณมันชีวมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกใจผมบอก ว, ว่าความไม่สะดวกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของผมไม่ใช่ความไม่สะดวกทั้งเราเป็นทุกข์ความไม่สะดวกเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะในโลกนี้ น, นี่ไม่มีเไราได้ยัใจเราหรอกถูกไหมนั่นแหละคือสัจธรรมชีวิมันก็เปลี่ยนได้ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะการศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ลองปฏิบัติตดู ผลมันก็ออกมาเพราะเวลาเก้าใจสติเนี่ยทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้มีสติอย่างเดียวหรอกมันได้สมาธิเป็กของแถนได้ไหมจิตมันก็สงบได้เหมือนกันไม่ต้องไปหาความสงบเอาความรู้ตัวตั้มันต่อเนื่องให้จิตมันเต็มอย่างนี้แหละมันมีสมาธิเป็นของแถนสัมมาสมาธิคือจิตที่จะไม่เข้าไปแช่กับอารมณ์ให้รู้อยู่ดูอยู่เห็อยู่เมื่อเกิดสมาธิแล้ว กิเลสนิรเนี่ยความอยากความไม่อยากความโกรธความน่วงความคิดความสนใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งมันปรุงไม่ได้มันต้องมีแค่หนึ่งเดียวจิตเราแล้ไปทีละครั้งเมื่อมีสติไปความหมือมีสติก็จะหายไปเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งมันก็มีความเบิกบานขึ้นมาช่วยไม่ได้นะไม่ต้องไปหาความจุกไม่ต้องหาความเบิกบานแค่รู้สึกตัวจิตไม่ปรุงแต่มันก็มีความเบิกบาน มันเบิกข้างใแล้วบานอยู่ข้างนอกบันเบิกบานนะมันจะเกิดความมั่นใจคอยมั่นใจเลยเรื่องการดับทุกข์เนี่ยมันมีจริงพู้รองไม่ได้ตัดไป ล, ลอยๆความดับทุกข์มีจริงแล้ววิธีการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยการยกมือการตรัสติเนี่ยมั่นใจได้ว่านําพาจิตใจเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นมีที่รัดสั้นพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องรอเมื่อชัดหน้า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 ว่ารู้แล้วเมื่อมีการตัดสินลูมุมความรู้สึกที่มาเนี่ยราะว่าของพะทะุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบาบางก็เกิดขึ้นทันทีในขณะจิตที่ตัสินลูแล้วกิเลส ก, ก็อยู่ไม่ได้กิเลส ก, ก็นิพพานดับเย็นดับไม่เหลือเลยขณะจิตเดียวเนการบรรลุธรรมมีขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่ใช่วันเดียวเดียวนะจิตเดียวแค่รู้สึ็จเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติเราต้องมาทําตรงเนี้ยให้มารู้สึกบ่อยๆต่อไปมารู้สึกเอง เห็นไหมบางท่านเนี่สติเกิดเองมีไหมบางที่มันเกิดเองได้ในอาศัยวันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจะได้ไ ป, ปฏิบัติบูบบชาอย่าไปคิดว่าเราเนี่คงไม่มีบุญวาสนาบา ร, รมีอินทรีย์ไม่แก่ก้าวไปคิดอย่างงั้นมันท้อแท้หมดกาลังใจไม่ได้ประโยชน์อะไรให้กําลังใจตัวเองเนี่พระองค์ตรัสไว้ว่าวิเวณะทุกขมัติย ต, ติบุคคลจะร่วมพว้นด้เพราะความนนะเพียรนะเพียรไปก่อนแล้วต่อไปไม่ต้องเพียรล้วมันเป็นเอง